อ่าเข้ามาสู่ช่วงของการปฏิบัติวันนี้นการอบรมการปฏิบัติเจริญอนาณาปานาสติครั้งที่เจ็ดสิบมาไกลเหมือนกันนะครั้งที่เจ็ดสิบะเมื่อตกี้ที่ได้บรรยายธรรมะไปเรื่องโยนิโสมนัสิการ อันจริงมันคือการปฏิบัตินะการปฏิบัติทำแต่เราใช้อะไรเราก็ใช้สติสมาธิและปัญญาในการทำโยนิโสมนัสิกาทำาไมเราปฏิบัติศึกษาพิจารณาเข้าไปสู่กายสู่ใจของเราแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยทะลุมันเข้าไปแล้วมันรู้สึกไม่ได้เหตุผลมีประการเดียวนะก็คืออ่อนสติ ด้อยปัญญาอ่อนกันแล้วอ่อนสติด้อยปัญญาด้อยสมาธินี่คือเหตุผลเดียวเลยนี่เราต้องทำยังไงเราก็ต้องเจริญสติอบรมสมาธิอบรมปัญญานี่การที่จะไปเจริญสติจเจริญสติจเจริญอบรมจเจริญสติอบรมปัญญาพัฒนาสมาธินี่มันจะต้องทำอย่างไร เราจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ในทางที่จะเป็นพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรทำเถอะทำอย่างนั้นเราพอใจที่จะไปทำตามผู้อื่นได้แล้วทาไมเราจะตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เราทำตามผู้อื่นได้ทำไมเราทาตามพระพุทธเจ้าไม่ได้ เราแน่วแน่อยู่กับผู้อื่นได้ทำไมเราจะแน่วแน่อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติอบรมปัญญาเนี่ยมันไม่มีวิธีอื่น น, ะนอกจากนอกจากตามรพาาาามระพุทธเจ้า่างเดียวคือถ้าตามพระพุทธเจ้าเราก็จะได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าไม่ตามพระพุทธเจ้า เราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนท่านวางหลักไว้ว่าในการอบรมสติเนี่ยจะเริญนสติท่านวางหลักไว้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่มีสติปัฏฐานสี่คือฐานเป็นที่ตั้งแห่งสติสี่ประการนี่โดยพิสดานนะโดยพิสดานนะเรียกว่า เอาชีวิตนี่แหละเอาชีวิตของตัวเองนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของสติจัดไว้เป็นสี่ประการแต่พระพุทธเจ้าสอนแบบให้ง่ายเข้าไปอีกที่ท่านสอนเยอะมากคือท่านเทศโดยทั่วไปเวลาพระพุทธเจ้าสอนตามสูตรต่างๆว่ากันเป็นบทธรรมะเป็นหมวดสองหมวดสามหมวดี่เป็นบทธรรมะสำหรับทิชยงให้ผู้นั้นผู้นี้ไปนาไปปฏิบัติเนี่ย ไอ้บางคนเนี่ยที่ก็มีฐานของสติและปัญญามีกําลังพอพอฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็พลนะฮและคนเหล่านั้นที่มีกําลังสติสมาสติปัญญาที่มีกําลังพออย่างนั้นน่ยมันเกิดในสมัยพระเจ้าเลยทีเดียวทั้งหมดอส่วนในที่มีกำลังเหมือนหลวงพ่ออัญญากนธัญญะท่านฝึกฝนจิตใจเรื่องสติเรื่องกําลังของสมาธิเรื่องอะไรต่างๆมันมีมากพอ เพราะความธรรมะของพระพุทธเจ้ า, าก็เข้าใจหลุดพ้นเข้าใจหลุดพ้นเข้าใจหรือพ้นพวกที่ท่านเข้าใจหลุดพ้นเพราะว่ากำลังของสติสมาธิที่ท่านฝึกฝนอบรมอยู่นั้นมันมีพอพระพุทธเจ้าก็เหมือนเสมือนแสงอาทิตย์ในยามเช้าที่ไปสกิดดอกบัวที่ลอยอยู่เหนือน้ําแต่ปั๊บบานแต่ปั๊บบานแต่ป๊บบานบบา น, บบา น, น่นเนี่ยนี่ไอ้คนเหล่านั้นถ้าที่สังเกตดูมันจะเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าหมด ไม่ไม่ไม่ได้มาในสมัยเรานสมัยนี้เเรียกว่ามาสองพันหร้อยปีที่พวกเราทั้งหลายกันมานั่งกันอยู่เนี่ยเน่อ้อมาจึงมองว่ามันต้องหนักในเรื่องของการจเจริญสติมันต้องหนักในการที่จะต้องฝึกฝนอบรมสติสมาธิและปัญญาถ้าเราไม่หนักเราได้แค่อ่านเราได้แค่ตันทำความเข้าใจเล็กๆ ล, กลก็น้อยนอย มันก็ไม่ต่างไม่ต่างไปจากไม่ต่างไปจากกิ้งก่าที่มีทองคำมันเข้าไปไม่ถึงคุณค่าของมันมันก็ไม่ต่างจากคนเดินทะเลไอเดินคนเดินในทะเลทรายที่หิวน้ำ เด็ก็วิ่งเวงว่งวงวางหาสเปสะสป่าไปหมดเห็นความเวื้องว่างว่าเป็นน้ำสุดท้ายมันก็ไม่มีมังเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ถึงเพราะมันจะต้องถอยกลับไปสู่สิ่งที่ตั้งต้นตั้งต้นคืออะไรตั้งต้นคือสติสมาธิและปัญญาในการที่จะเข้าไปให้ถึงความจริงให้ปรากฏมาเป็นผลของมันให้ได้ในการอบรมสติสมาธิและปัญญาเนี่ย ในส่วนหนึ่งที่เราทำการศึกษาและก็ปฏิบัติกันมาชื่ออาณาปานาสติอาณาปานาสติมันไม่ใช่อะไรหรอกมันก็ทําให้เกิดการพิจารณาเห็นกายในกายจิตมีการเห็นกายในกายพิจารณาเห็น ก, นกายในกายในเนื่องว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เรียกว่ากายญานุปัสสนาการพิจารณาเห็นกายโดยใช้ลมหายใจที่ชื่อว่าอาณาปานาสติ เห็นได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยว่าเมื่อเจริญอาณาปาลนสติกระทาให้เขาเกิดความบริบูรณ์และจะทําให้สติประฐานสี่บริบูรณ์แล้วก็จะได้ไปจนถึงวิชาและวิมุตตามที่เคยพูดไว้หลายๆครั้งตามที่ท่านตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆอันนี้บางท่านก็บอกว่ามันยาก บางคนก็บอกว่าอาณาปานสติเนี่ยก็สอนสําหรับพระมัจะมาสอนชาวบ้านชาวบ้านมันไม่ได้หรอกเขาบอกว่าสอนสำหรับพระก็ก็ก็จริงตอนพระพุทธเจ้าสอนนะะตอนพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยต้อสอนพระอทั่านเลยก็ต้องพูดว่าพิกขเวมั่งพิกขุมั่งในพระสูตรต่างๆแต่มีบางคนบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไปปฏิบัติอาณาไม่ได้ ว่าอานามเป็นของสูงถ้าอย่างนี้ตายเลยตายเลยถ้าไปพูดเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าไปไม่เป็นเลยแล้วจะให้ไปปฏิบัติอะไรกันล่ะก็มันอ่อนสติอ่อนสมาธิอ่อนปัญญาที่จะทําการพิจารณาเข้าใจไ อ, อ้เรื่องอื่นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันรู้แล้วรู้แล้วแต่มันละไม่ได้รู้แล้วแต่มันสารอกไม่ได้รู้แล้วแต่มันสลัดออกไปไม่ได้รู้แล้วแต่มันเข้าไม่ถึง เพราะอะไรเพราะมันอ่อนสติสมาธิและปัญญาถ้าแค่รู้อย่างนั้นอย่างเดียวมันไม่ได้เออเพราะฉะนั้นอาณาปานาสติจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอันหนึ่งในการที่จะจะเริญนสติสมาธิและปัญญาแล้วก็ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเรามีต้นทุนครบ เรามีต้นทุนครบแล้วก็สามารถที่จะรู้สึกได้และลำดับการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสการปฏิบัติไว้ชัดเจนมากที่สุดอันหนึ่งคือเรียกว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในรการปฏิบัติอย่างชัดเจนนี่ก็คืออานานี่แหละไอ้อย่างอื่นมามาชัดเจนในชั้นของอัตถกถานะ แต่ที่ชัดเจนที่สุดเลยเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนมากในเรื่องของการเจริญสติและก็คืออาณาปานสติเป็นความชัดเจนในชั้นของพุทธพจน์เลยในชั้นของพระพุทธเจ้าเลยเราไม่ต้องไปทำการศึกษาในชั้นของอัตตกถาหรือครูบาอาจารย์ใดๆเลยในเรื่องของอาณาปานสติในชั้นของพระพุทธเจ้านี้ชัดเจนมากพระพุทธเจ้าตรัสลงมาเป็นลำดับที่ชัดเจนว่า พอได้ที่นั่งเสร็จเอ่อบังลังกางาปุจตวรีวนั่งคูบังลังอุจุกาป น, นิทายะตั้งกายให้ตรงสติอุปัตติมุังสติอุปัฏบตวาดรงสติอยู่เฉพาะหนะ้าสตวอัสติสตปสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านี่มันชัดเจนมากเป็นลาดับลาดับ จากนั้นก็ตรัสทีรังว่าอัตฉริชนโตดีครังอัตฉสามีตีปชานาติเป็นต้นเป็นลําดับเป็นลําดับเนี่ยคือถ้าถ้าคิดที่จะทํากรรมฐานเรียกคิดที่จะปฏิบัติธรรมคิดที่จะเจริญสติก็ต้องมองไปที่อาณาปานสติแหละเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนเราเพียงแค่แน่วแน่แน่วแน่ ต่อที่พระองค์สอนนั้นอย่างต่อเนื่องมันจึงจะเกิดผลไอ้คนที่มีทุนเก่าอยู่มากๆเนี่ยเขาทาแป๊บเดียวก็ได้ผลเป็นลำดับไปไอ้คนที่ไม่มีทุนเก่าอยู่ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยแตบบ่เพียงแค่เราแน่วแน่ต่อที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นน่ะผลมันก็จะเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วผลเกิดขึ้นทันที ต่อผู้ที่จะปฏิบัติอานาปา น, นสติเพราะว่าอย่างโซสโตัวอัสติสโตปัสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าคือลมหายใจของเราที่เข้าออกเข้าออกอยู่นี้เดิมทีเราไม่ได้รู้ไม่รู้ก็คือไม่มีสติแต่เมื่อเราจะเจริญสติเราก็ฝึกเอาสติมาอยู่กับลมหายใจออกลมหายใจเข้า ถ้าเมื่อใดที่เรามีสติตอนที่เราหายใจออกมีสติตอนที่เราหายใจเข้าหนึ่งคู่ของลมหายใจนั่นหมายความว่าเรามีสติหนึ่งคู่ของลมหายใจแต่คู่เดียวมันไม่พอมันจึงต้องแน่วแน่คำว่าแน่วแน่เนี่ยมันหมายความว่ามันต่อเนื่องนานนานเออแน่วแน่นี่คือต่อเนื่องนานๆนถ้าสติ เขาแน่วแน่มีสติอยู่ทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืย ๆ, ๆ, ๆ, ๆความแน่วแน่นั่นแหละมั น, นจะทำให้สติแข็งแรงการระลึกลงไปสู่ลมหายใจอย่างต่อเนื่องนั่นทำให้สติแข็งแรงการรู้ลมหายใจขณะที่ไหลออกไหลเข้าทําให้เกิดเป็นสัมปชัญญะที่แข็งแรงสติและสัมปชัญญะที่แข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละมันจึงทาให้เกิดเป็นความรู้ รู้ที่เรียกว่าสัมมา ย, ยานที่เรียกว่ายานในที่สุดถ้าเราไม่ดำเดินไปอย่างนี้เราก็จะไปฝึกแบบอืน่นแบบที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอาจจะต้องไปเสียเวลามากนะผู้ที่ปรารถนาถึงความหลุดพ้นหรือปรารถนาถึงมรรคผลอันเป็นผลของทางการปฏิบัติใจเรือนตรินั้นถ้าเกิดเผลอไผล ไปปฏิบัติด้วยความเห็นที่ผิดพลาดด้วยความเชื่อบางสิ่งบางอย่างว่าที่นั่นดีที่นี่ดีที่โน่นดีแล้วเราก็ไปอบรมฝึกฝนปฏิบัติแล้วในที่สุดมันตันทุกสายนะถ้าไม่เข้ากับทางของพระพุทธเจ้าจะตันทุกสายมันจะตันทุกสายเราก็อาจจะต้องเสียเวลาทําไปจนกระทั่งมันตัน พอมันตันแล้วเราจึงจะเข้าหาพระพุทธเจ้ามันตันขึ้นมาเมื่อไรเราก็เข้าหาพระพุทธเจ้าที่ว่ามันตันเพราะอะไรที่มันตันเพราะว่ามันไม่ลองไปสู่กายใจที่แท้จริงมันไม่ได้ศึกษาตามความเป็นจริงไม่ได้ปฏิบัติตามความเป็นจริงแลวก็ไม่ได้ดาเนินตามแนวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสมาธิงพิฆเวพาเวธะภิกษุทั้งหลายเธอจงจเจริญสมาธิกันเถอะสมาฮิโตปิขเวอย่าท่าภูตังปชานาติภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยจะทําให้เห็นรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยท่านตรัสไว้อย่างนี้ให้เราเร า, เราจะทํำยังไงปัญหามันก็คือว่าเราก็ไปทําสมาธิกัน สมาธิที่เราไปทำกันอ่ะเราไปทำกันแบบไหนเราก็ต้องไปํำรวจว่าไอสมาธิเหล่านั้นมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไหมตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไหมจริงๆถ้ามีแก่ใจฮนะไม่ยากถ้ามีแก่ใจในการที่จะดูว่าใช่ของพระพุทธเจ้าไหมตรงไหมไม่ยากก็คือว่าถ้าเอาสิ่งข้างนอกมาเป็นอารมณ์ หรือส่งจิตออกไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจอยู่กับสิ่งซึ่งนอกออกไปจากความเป็นจริงอยู่กับสิ่งสมมติเป็นฐานสิ่งเหล่านั้นยิ่งปฏิบัติยิ่งแน่แน่ยิ่งห่างออกจากพระพุทธเจ้าหรือที่หลวงปู่หลวงพ่อวางรูปท่านบอกว่าจิตส่งออกนั่นแหละเรืของพระเจ้าต้องข้างในและในสมัยที่พระเจ้าบวชท่านก็ แสวงหาสิ่งที่เป็นข้างนอกเยอะมากจนกระทั่งมันไม่มีที่จะให้ศึกษาอีกแล้วเลยทิ้งทุกอย่างไปนั่งที่ใต้ต้นประศรีมหาโพธิ์แล้วก็ส่งจิตเข้าไปสู่ข้างในกายในใจอยู่กับลมหายใจอาศัยลมหายใจจนได้ ต, ะตะรัตตุลูอนุตตรสัมมาสัมปธิญาณ น, นี่เป็นพยานที่ประจักษ์ชัดไอเราจําเป็นที่จะต้องรู้และทําความเข้าใจเรื่องเหล่านี้เพื่อทําจิตต้นอันประกอบด้วยศรัทธาคือความเชื่อให้มันถูกต้อง ก็จะไ ด, ได้แน่ต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ก็เชิญพวกเราตั้งใจในการเจริญอาณาปานสตินะในเบื้องต้นก็ดังที่กล่าวว่าที่นั่งปรับที่นั่งให้ดีนั่งกูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงลมหายใจของเราเนี่ยนะมันมันมีอยู่แล้วแหละ แต่ว่าลมหายใจของเรามันมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งโดยธรรมชาติโดยการควบคุมของสมองอีกแบบหนึ่งโดยการควบคุมของจิตใจของเราโดยธรรมชาติหมายความว่าเราจะต้องเข้าไปรู้ลมหายใจอันเป็นธรรมชาติเราสามารถที่จะถ้าเราสามารถรู้ลมหายใจที่มันไหลออกไหลเข้า เองตามธรรมชาติของกายเหมือนอย่างตะกี้ที่เรานั่งฟังธรรมะร่างกายของเราก็หายใจอยู่แต่เราไม่รู้นี่การรู้ลมหายใจเนี่ยให้มีสติกับลมหายใจคืออะไรก็คือรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอยู่นั้นนะตามธรรมชาติของกายแต่ว่าเมื่อเราจะไปรู้ลมหายใจนั้นเนี่ยพอเราจะลมหายใจเนี่ยเมื่อเราจะไปรู้ลมหายใจปับ๊บมันกลายเป็นว่า ลมหายใจมันหยุดออกจากธรรมชาติของกายมันก็หามาอยู่ในโหมดมันเปลี่ยนโหมดทันทีเลยพอเราตั้งใจจะรู้ลมหายใจปั๊บลมหายใจมันจะเปลี่ยนโหมดนะมันมาอยู่ในโหมดของการควบคุมโดยจิตใจแต่ถ้าเราไม่ได้ดูไม่ได้รู้ไม่ได้สนใจปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะอยู่ในโหมดของการของอั อัตโนมัติแต่พอตั้งใจจะไปรู้มันแค่นั้นอ่ะมันกลับมาอยู่ในหมดของการควบคุมโดยจิตใจของเรามันจะหยุดมันหามาควบคุมโดยจิตใจของเราดงั้นเราจึงต้องฝึกพระพุทธเจ้าเลยให้ฝึกเป็นสองช่วงช่วงแรกเนี่ยให้ลักษณะของการกําหนดรู้เอาเอาจิตใจไปควบคุมมันเลยให้ลมหายใจอยู่ในความควบคุมของจิตใจ ใช้ศัพท์ว่าประชานาติคือกำหนดรู้มันเลยแล้วลักษณะของการกำหนดรู้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะแค่รู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจที่เรารู้นั้นมันจะเป็นลักษณะของเป็นขนาดให้รู้ในขนาดก้องลมหายใจออกขนาดก้องลมหายใจเข้าเพราะฉะนั้นการกำหนดมันจึงเข้าไปมีบทบาท ในการทำลมหายใจที่เข้าออกนั้นท่านหนึ่งใช้ศัพท์ว่าปชานาติทีคังวาอัรชนโตทีขังอัตรสามีติปัญช า, าติทีขังวปะปัตสัสนโตทีคัง ป, ปัสส า, า, ามีติปัญชาติรัขังวะปัตสัสนโตทีขังปัตสสามีติปัญช า, าติหมายความว่าเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัด ปัานาติย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นวันลมเข้าและลมออกตอนนี้ตอนที่ว่าปัานาติย่อมรู้ชัดย่อมรู้ชัดเยเป็นการกำหนดของเรา ถ้าเรากำหนดยาวเราก็รู้ยาวเรากำหนดสั้นก็รู้สั้นแต่ในการรู้ลมหายใจในการรู้ลมหายใจนี้เราจะต้องไม่วิ่งตามเขาถ้าเราวิ่งตามเราจะรู้ไม่ได้เพราะลมหายใจจะปรากฏต่อเราตามความเป็นจริงที่โพรงจมูกของเราท่านต้องฟังตรงนี้นะเพื่อหาข้อยุติในเรื่องของความสงสัย ลมหายใจเราจะรู้สึกจริงๆในความรู้สึกของเราที่เราสัมผัสได้ที่โพรงจมูกของเราที่เป็นลมหายใจคือที่ลมมันก็เคลื่อนไหวและมันก็กระทบที่เรารู้สึกได้ส่วนลมที่มันไหลพ้นออกไปจากช่องจมูกเรารู้ไม่ได้ลมที่เข้าไปพ้นจากโพรงจมูกของเราึกเขก็ไปข้างในเราก็รู้ไม่ได้ในทันที แต่ที่เรารู้ได้ทันทีก็ตอนลมหายใจของเราก็คือที่โพรงจมูกถ้าคนจมูกยาวก็ตรงกระทบตรงปลายจมูกถ้าโพรงจมูกจมูกสั้นก็จะรู้สึกตรงริมฝีปากด้านบนเราก็สามารถที่จะทำความ ร, รู้สึกนั้นได้ทีนี้รู้ลมหมายใจเราก็เฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นเฝ้ารู้อยู่ตรงนั้น จะมาบอกว่าวิ่งวิ่งตามลมหายใจไปจนถึงหน้าอกจนถึงท้องจากท้องมาที่หน้าอกมาที่จมูกอะไรเงี้ยคือถ้าวิ่งอย่างนั้นน่ะก็วิ่งได้นะแต่ไม่ใช่รู้ลมลมหายใจของเรามันไปแค่ไหนมันไปแค่ไปแค่ปอดในถุงลมเท่านั้นอ่ะพอเข้าไปในถุงลมแล้วมันก็ ออกซิเจนมันก็จะซึมเข้าไปเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดแดงในเส้นเลือดผ่อยนี่หายใจเข้าแค่นั้นนอกจากถุงลมรั่วหรือปอดรั่วล้วลมหายใจออกก็มาจากเลือดดำที่มันขับของเสียกลั่นออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มันก็ออกมาถุงลมในถุงลมในปอดก็จะแฟบขับออกมาในตอนเราหายใจเข้าถ้าเราหายใจเข้ายาวลึก กระดูกหน้าอกที่โครงที่มันพุ้มปอดอยู่เนี่ยมันก็จะตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นกล้ามเนื้อที่เป็นกระบังลมของเราก็จะตกลงไปในช่วงล่างมันก็ทำให้ไหน้าอกช่วงล่างและช่วงท้องของเราพองออกมาตอนที่เราหายใจเข้าแต่ไม่ได้หมายความว่าลมหายใจของเรามันลงไปจนถึงท้องนะเพราะฉะนั้นท่านอย่าทำสัญญาอย่าทาสัญญาว่า หายใจลงไปจนถึงท้องหายใจลงไปจนถึงมันทั่วร่างการที่เราไปที่ท้องหรือไปทั่วร่างมันเป็นการรู้กายอย่าบอกว่าเป็นการรู้ลมถ้าอาณาและก็รู้ลมเนี่ยมันไายความว่างเลยมันรู้ลมตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าว่าโซสโตวอัตสติสโตปัสตินี่เป็นพระญานทยานในการตรัดของพระพุทธเจ้า ว่ามีสติกับลมหายใจออกมีสติกับลมหายใจเข้ามีสติกับลมหายใจออกมีสติกับลมหายใจเข้าเพราะนั้นในความเป็นจริงเมื่อเราปฏิบัติไปเยอะๆเรารู้ลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆเราจะรู้เลยว่ารู้ลมหายใจ ต, งตรงไห น, ไนออตรงไหนเป็นลมหายใจออกตรงไหนเป็นลมหายใจเข้าอย่างไรเป็นลมหายใจหยุดมันต่อเนื่องขึ้นมามันก็จะเกิดเป็นความรู้บอกเราเองเราจะรู้โดยประจักษ์เป็นตัวของเราเอง เป็นความรู้ที่เป็นปัด จ, จัดต่างของเราออย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการรู้ลมหายใจในระหว่างที่จะมาพูดไปโยมก็รู้ลมไปเลยนะเข้าสู่การปฏิบัติไปเลยเป็นอุปสรรคต่อการรู้ลมหายใจก็คือความอยากความคาดหวังพูดกันแล้วพูดกันอีกสอนกันแล้วสอนกันอีกคือพอรานั่งปับ๊บแล้วเราก็เอาแล้วความอยากความคาดหวังมาแล้ว เราคาดหวังถึงอะไรเราคาดถึงความสงบและเรามีสัญญาจากความรู้ที่เคยร่ำเรียนมาเคยฟังมาว่าความสงบมันเป็นอย่างไรได้เคยฟังมาเพื่อนคนหนึ่งเขานั่งแล้วก็ได้สภาวะอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมเราถึงไม่ได้มั่งเราใช้เวลามาตั้งนานแล้วทำไมเราไม่ได้เลยเราไม่เห็นอะไรเลยเราไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยไอ้สัญญาเหล่านี้นะมันเป็นอุปสรรค อุปสรรคต่การรู้ลมหายใจมันจะแบ่งจิตออกไปทำให้กำลังของจิตนันน้อยอ่อนไม่สามารถที่จะมีกำลังในการรู้ลมหายใจได้ได้ดีนะนั้นความรู้เหล่านั้นบางทีมันจะต้องใช้คำพูดสอนตนเองว่าลาครูกลับบ้านนะลาครูกลับบ้านลาครูกลับบ้านคือลาจากสิ่งที่เคยร่ำเคยเรียนมานะ กลับบ้านคือไปหาพ่อคือพระพุทธเจ้าของเราเพื่อมารู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องนำสิ่งอื่นออกมาขอลาว่าชั่วคราวนะลากลับมาบ้านนะกลับมาหาบรมครูเพื่อรู้ลมหายใจมันต้องทำอย่างนั้นจริงๆไม่ฉช่นั้นมันโดยเฉพาะอุปสรรคในการในการทำอานานี่ ท่านกล่าวไว้มันมีแปดอย่างนะมีกรรมฉันมีพยาบาทีนมิธะอุทัจจกุกุจะจวิจิกิจจาอารติอวิชาอาุตุลธรรมรวมไปแปดประการทั้งหมดเราเนี้ย ม, มันมีมากพออยู่แล้วแเราก็ให้มันทำความเข้าใจให้มันถูกต้องเสีย คือรู้ลมตามความเป็นจริงก่อนถ้ารู้ลมตามความเป็นจริงไม่ได้เนี่ยมันก็จะรู้รู้ทำอน า, าให้มันก้าวหน้าต่อไปไม่ได้หรอกไม่ได้จริงๆงเพราะในช่วงแรกพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าประชานาติว่าให้รู้เมื่อลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว นี่เรียกว่าใช้การกําหนดเข้าไปรู้เลยรู้ขนาดของลมหายใจโดยข้าวรู้ที่เรารู้สึกตัวได้ที่เรารู้สึกกับลมหายใจได้จุดที่ลมมันกระทบอาจจะตรงริมฝีปากด้านบนหรือว่าตรงโพรงจมูกที่ไม่ไปต้องเพ่งไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปเข้าไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปบังคับอะไรมันมากที่มันรู้สึกได้แล้วก็ พอแค่ตรงนี้สำหรับบางคนมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วอยากจะรู้ชัดๆอยากจะรู้ชัดๆอยากจะรู้มันแน่วแน่ไปเลยตรงนี้อันนี้มันเป็นตัณหาทันทีก็มันรู้สึกตามความเป็นจริงอย่างไรมันก็รู้สึกได้อย่างไรมันก็รู้สึกอย่างนั้นไปก่อนมันรู้สึกไม่ชัดแสดงว่าเราอยากจะชัดมันรู้สึกชัดมากแสดงว่าไงมันมีตัณหาทั้งสองส่วนนะ พอไม่ชัดเราก็รู้สึกอยากให้มันชัดมันเป็นตัณหาเป็นการมตัิหาทั้งนั้นพอรู้สึกชัดมากถูกใจดีใจว่ารู้สึกชัดมากนียมันการมตัิหาอีกแล้วเราก็รู้ก็รู้แยกออกมาให้เป็นธรรมชาติของรู้ลมหายใจก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจให้ก็ไม่เกี่ยวกันลมหายใจก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจรู้ก็เป็นธรรมชาติของรู้เมื่อรู้ไปรู้ลมหายใจ มันรู้แบบไหนปรากฏความเป็นจริงอย่างไรก็เป็นแบบนั้นไม่ต้องไปบีบคั้นไม่ต้องไปบังคับให้เป็นธรรมชาติของกันและกันไปนั้นในทางนี้พระพุทธเจ้ า, าอ่ะท่านจึงกล่าวสอนไว้เป็นเทคนิคว่านิมิตตั้งอัศสาภาษาส า, ส า, สาว่าธรรมชาติสามอย่างนิมิตหมายถึงที่ตั้งของจิตที่จะรู้ลมหายใจ แล้ก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรวมแล้วเป็นสามประการอนารมณนะอนารมณะเอกจิตตระคือว่าไม่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวคือสามอย่างนี้มันไม่ได้รวมกันแต่สติเราอ่อนสัมปชัญญะสติสัมปชัญญ ะ, ญญระญญเรายัางอ่อนสมญญาธิเรายัางอ่อนมันเลยมองเป็นตัวเดียวกันเพระญญาะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มต้นให้เป็นธรรมชาติ เรารู้ได้ตรงไหนเราก็เฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นตัวเฝ้ารู้นี่อย่างหนึง่งตัวที่ที่ตั้งสําหรับที่เฝ้ารู้นี่อย่างหนึง่งลมหายใจก็เป็นอย่างหนึง่งถ้ามันแยกเป็นธรรมชาติของกันและกันอย่าไปรวมกันแล้วเราก็เฝ้ารู้ไปเฝ้ารู้ไปเฝ้ารู้ไปเฝ้ารู้ไปบางทีมันก็จะได้ด้วยการกําหนดบ้างบางทีมันก็จะได้ด้วยการรู้อย่างเป็นธรรมชาติบ้างแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราไป ทำหน้าที่คว่ำเพียนไปเพียนไปเพียนไปเพียนไปเพียนไ ป, เ พ, นไปเพียนไปเรื่อยๆในในเรื่องของลมหายใจนี้เมื่อเรากาหนดรู้เนี่ยมันเป็นลมที่เป็นไปตามการควบคุมของจิตใจแต่เมื่อเราแน่วแน่อยู่ตรงที่ตั้งของจิตรู้เพื่อควบคุมลมหายใจด้วยการกําหนดรู้ เหมือนที่เล่าให้ฟังว่าคนเลี้ยงวัวเนี่ยเอาวัวไปเลี้ยงเขาปล่อยวัวในป่าเนี่ยเขาดูแล้วในป่านั้นล้อมรอบไปด้วยภูเขาวัวหลุดออกไปเนี่ยเขาจะตามหาวัวตัวนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปวิ่งตามหาทั้งป่านะถ้าวิ่งตามหาทั้งป่านี่นยแย่แน่ แต่คนเลี้ยงวัวผู้ฉลาดเขาจะทำยังไงเขาก็จะเดินไปที่แหล่งน้ำพอไปเจอแหล่งน้ำปั๊บเขาก็นั่งคว้าอยู่ที่แหล่งน้ำนั่นเลยนั่งทานอาหารนอนไก่เคนเอกเอ ก, เอกสบายๆอยู่ตรงนั้นที่เดียวไม่ต้องไปไหนเพราะอะไรเพราะสักพักวัวตัวนั้นวัวเหล่านั้นมนันจะเดินกลับมาที่แหล่งน้ำอันนี้ฉันใดเหมือนกันเราก็เหมือนกัน ไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องวิ่งตามเคว้าอยู่ตรงที่เรารู้สึกได้ตรงนั้นแรกๆเราก็กำหนดรู้กำหนดรู้ไปกำหนดรู้ไปกำหนดรู้จนกระทั่งว่าตัวลม ที่มีความขนาดความยาวน้ำหนักมันเรียบมันได้ที่กำหนดลมให้มันยาวกันยาวกลาง ถ้าทำลมละเอียดได้ก็ให้ลมละเอียดเลยลมละเอียดยาวลึกแต่ว่าให้มันเป็นความสบายๆตามที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่ไปทำลมละเอียดยาวลึกแล้วมันอึนอดอัดถ้าอึอาดอัด่ะมันไม่ใช่ต้องให้มันสบายๆตามธรรมชาติของมันแต่ยังอยู่ในลักษณะของการกาหนดรู้อยู่ เฝ้าอยู่ที่เดียวที่รู้สึกได้แล้วให้ลมมันผ่านไปเราก็ทำหน้าที่เหมือนกับรอปภที่ยืนอยู่นั่งอยู่ในป้อมยามที่มีรถวิ่งเข้าก็รู้รถวิ่งออกก็รู้แคนั้นเหมือนกันเฝ้าอยู่ตรงนั้นเฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นยามลมหายใจเข้าไปก็รู้ ตอนนีมันไปด้วยความกําหนดเพราะฉะนั้นมันจึง ก, ก็จะมีการขนาดและน้ําหนักของลมหายใจความเหนียวแน่นของเกลียวลมหายใจมันก็ยังมีอยู่เรียกว่าลมที่กําหนดนี้เป็นลมที่หยาบลมกําหนดนี้เป็นลมหยาบ แต่เราก็กำหนดไปหาจุดที làm, ่มันสบายๆด้วยนะพยายามหาจุดที่มันสบายระหว่างการรู้ความแรงของลมระยะของลม ตัวลมมันเรียบพอดีพอดีสบายสบายไอจิตที่มันรู้ที่มันเข้ารู้อยู่ตรงที่ตั้งมันจะมีความกำหนดเบาๆถ้าความกำหนดมันเบาๆมันเพ่ลงมาได้ความกำหนดเบาๆมันเพลาลงมาได้นี่ก็คือลมมันจะเรียบสนิท ขนาดของลมก็จะพอๆกันนะน้ำหนักก็จะพอๆกันขนาดพอๆกันน้ำหนักพอๆกันอันนี้เรียกว่าลมเรียบพอลมมันเรียบการกำหนดนี่มันทำแค่ให้ตัวรู้กับลมมันมีความเรียบ ขึ้นมาได้ลักษณะของลมก็จะอยู่ในประมาณที่สบายๆไม่ต้องไปกำหนดยาวกำหนดสั้นตอนนี้ความรู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เพิ่มทีนี้นอกจากการกำหนดรู้นยมันไม่ใช่นะทีนี้ต้องเพิ่มก็ไปสู่การเรียนรู้ศึกษา ตั้งใจเหมือนกับลมเนี่ยเป็นบทเรียนเข้าไปศึกษาลมหายใจตระหนักเข้าไปสู่ลมหายใจมันมีการกําหนดอยู่ด้วยแต่มันมีลักษณะของการกําหนดทีต่ตระหนักเข้าไปเพื่อการศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจรายละเอียดต่างๆของลมหายใจข้อนี้ คนที่มุ่งแต่เรื่องของความสงบคืออยากได้ความสงบอยากได้ความสงบเนี่ยทำไม่ได้นะนี่แหละถึงบอกว่าให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ตรงนี้ว่าสิกขิพสพกายะปฏิสั่งเวทีอัศสิสซามีติสิกขิศึกษาเรียนรู้ตรหนักเข้าไปเพื่อศึกษาเรียนรู้รายละเอียดของลมหายใจ ตั้งแต่ลมหายใจเข้าต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจเป็นอย่างไรเป็นลมอะไรลมหยาบลมหนักลมเบาแรงถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้เข้าไปสู่ในเนื้อในของลมหายใจอย่างนี้ความรู้ ที่เกิดจากลมหายที่เกิดจากการรู้ลมหายใจไม่พัฒนานะมันจะพัฒนาไม่ขึ้นมันจะลงร่องเข้าไปหาความสะบอย่างเดียวจะดสะบอย่างเดียวจะมุดลงไปสู่ความสะบอย่างเดียว การศึกษาระหนักเพื่อการเรียนรู้ลมหายใจเมื่อตอนปัจจานาติตอนที่เรากําหนดนั้นเราเริ่มต้นกําหนดรู้จากลมที่ไหลออกพอรู้ลมออกแล้วได้ได้ได้ได้ไดยังไงถ้าเรามารู้ลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าแต่พอทำการศึกษาเนี่ยทาการศึกษาลมเนี่ย เราก็ศึกษาได้จากลมที่เข้าเพราะตอนนี้ลมเข้ากับลมออกจิตที่รู้มีน้ำหนักพอกันแต่ถ้าใครถนัดที่ศึกษาลมออกก่อนก็ศึกษาไปแต่ถ้าลองศึกษาลมเข้าดูถ้าศึกษาลมเข้าก่อนมันจะสบายกว่าก็ศึกษาลมเข้าไป ควาแรงกำหนดมันจะเบาลงไปจากการที่เราไปตรหนักเพื่อการศึกษารู้ลมหายใจอย่างละศึกษาก็ัไปสู่เนื้อลมหายใจเราไม่มีอะไรตอนนี้มีแต่รู้ที่น้อมเข้าไปเพื่อลมหายใจกับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกศึกษาไม่มีสัญญาอื่นใดตั้งแต่ต้นลมกลางลมจนสุดลมหายใจเวลาเราตั้งใจเข้าไปเพื่อศึกษาเรียนรู้ลมหายใจอย่างละเอียด จะสังเกตว่าลมหายใจของเราบางครั้งมันจะยาวพิเศษบางทีมันก็สั้นกว่าเดิมบางทีพอตั้งใจศึกษาเข้าไปในลมหายใจด้วยเนี่ยไอ้ลมหายใจมันละเอียดมากมก็ไม่ต้องไปแปลกใจอะไรไม่ต้องไปดีใจอะไรไม่ต้องไปตกใจอะไรก็แค่รู้ว่ามันละเอียดแค่รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นแค่รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ศึกษาเรียนรู้ไป พอเราศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยจิตที่รู้ลมหายใจแลเข้าต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจลมออกต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจพอลมหายใจออกมันสุดปั๊บมันลมเริ่มเริ่มละเอียดและจิตเริ่มรู้รายละเอียดของลมหายใจอย่างนี้ได้ พอลมหายใจออกสุดปั๊บมันจะมีลมหยุดทั้งถามว่าเมื่อเกิดสภาวะที่ลมมันหยุดอย่าไปบีบคั้นลมหายใจให้เขาหายใจเข้าแต่เราจะต้องรู้อยู่ตรงตรงที่ตั้งของจิตรู้ตรงนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นทางเป็นตัวเปิดนะตัวเปิดสมาธิ เมื่อเราเข้ารู้ศึกษาลมหายใจไหลเข้ า, าเข้ารู้ศึกษาลมหายใจไหลออกอย่างละเอียดพอลมหายใจออกสุดเนี่ยมันจะมีสภาวะที่ลมมันหยุดก่อนลมหายใจเข้าสภาวะนั้นเราต้องรู้จักปล่อยก็คือเข้ารู้อยู่ตรงลมตรงฐานที่ตั้งของจิตรู้ ไม่พยายามไปบีบคั้นลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจเข้าไปก็ยังคงศึกษารู้ลมหายใจตั้งใจศึกษารู้ลมหายใจต่อไปอีกพอหายใจออกสุดปับ๊บมันมีสภาวะที่ลมมันหยุดอยู่เพราะเข้ารู้อยู่ตรงสภาวะลมหยุดไม่บีบคั้นลมหายใจเข้า จนลมหายใจมันจะต้องเลื่อนเข้าแล้วเราก็หายใจเข้ารู้รายละเอียดของลมหายใจเข้าจิตทําหน้าที่ศึกษาอย่างนี้นะมันไม่ใช่เป็นความฟุ้งซ่านนะคนที่ยึดมั่นอยู่กับความสงบไหลลงร่องของสมาธิบ่อยๆจะเข้าใจว่าอย่างนี้นะมันคือมันก็เหมือนกับการฟุ้งซ่านแต่มันไม่ใช่มันเป็นการเปิดจิตเข้าไปตัวรู้อย่างถูกต้อง โดยพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนไว้ในที่วสิกตินั่นะตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจ ตั้งใจรู้ลมหายใจออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจออกพอมันเกิดสภาวะที่ลมหยุดก่อนที่จะมีลมหายใจเข้าก็เข้ารู้อยู่ตรงนั้นตรงที่ตั้งของจิตรู้ถ้ามันเกิดความพยายามที่จะหายใจเข้าก็ให้รู้จากความพยายามมันนั้นว่ามันมีความพยายามหายใจเข้าอยู่ ว่ามีความพยายามความพยายามหายใจเข้ามันมาแล้วก็รู้จักเขาแล้วก็หายใจเข้ารู้ว่า สังเกตว่าตั้งแต่ลมแรกที่เรารู้ลมหายใจไหลออกไหลเข้ามาจนถึงตอนนี้สังเกตว่าลมตอนนี้จะละเอียดกว่าลมตอนนี้จะละเอียดกว่าลมแรกจิตที่รู้ตอนนี้จะละเอียดกว่าจิตรู้ตอนแรกพระจิตรู้ตอนนี้กับลมตอนนี้ที่เป็นจิตรู้ที่ละเอียดขึ้นจิตรู้ลมที่มันละเอียดขึ้นเนี่ย มันเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากการที่เราทาอย่างต่อเนื่องและถูกต้องอตั้งแต่ลมแรกและจิตแรกสภาพการเช่นนี้เดอะเขาเรียกว่ามันดับมันดับลมหยาบจิตแรกดับลมหยาบเึื่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆตอนนี้ลมหยาบมันโดนดับลง ม, มาเรื่อยๆลมปัจจุบันมันเป็นลมที่ละเอียดจิตรู้จึงเป็นจิตรู้ที่ละเอียดอยู่ตอนนี้ แต่เดิมมันเป็นการกำหนดตอนนี้เราคว้ารู้อยู่ตรงฐานที่ตั้งของจิตดูได้มากขึ้นและลมหายใจมันก็มาเองโดยอัตโนมัติมากขึ้นมีการเข้าไปกำหนดน้อยลงนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าลมหายใจนั้นเขากาลังเดินเข้าออกแบบธรรมชาติมากขึ้นออกจากการควบคุมของจิตใจมากขึ้นใจจะคลายความควบคุมมากขึ้น จิตรู้จึงมาเป็นที่ตั้งอยู่ที่ตั้งอย่างอิสระมากขึ้นลมหายใจไหลออกไหลเข้าเองมากขึ้นเป็นอิสระเป็นธรรมชาติที่แยกออกมาอย่างอิสระมากขึ้นเราก็รู้ไปอย่างนี้สองคู่สามคู่เราอาจจะรู้สึกเห็นว่าร่างกายหายใจเองได้ทักหนึ่งคู่ สามคู่สี่คู่รู้ไปรู้ไปเรารู้สึกได้ว่าพอเราไปอยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตรู้และไปรู้ลมหายใจไหลออกอยู่ฐานที่ตั้งจิตรู้รู้รรลมหายใจไหลเข้ารู้ลมหายใจไหลออกไปอยู่ที่ตั้งของจิตรู้รู้ลมหายใจไหลเข้ารู้ลมหายใจไหลออกทาอย่างนี้สับไปสับมาจนบางครั้งสองคู่สามคู่เราก็จะรู้สึกได้ในสภาวะหนึ่งว่า เมื่อกี้เราเห็นร่างกายมนหายใจโดยที่เราไม่ได้ไปกาหนดรู้อ่าสภาวะนั้นก็จะเกิดขึ้นแล่เราก็รู้ไปทำไปเรือยภาวนาไปเรื่อยให้มันเกิดความชำนาญเมื่อจิตรู้อยู่กับที่ตั้งของจิตรู้อย่างแนบสนิทได้ร่างกายลมหายใจไหลออกไหลเข้าได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยอกเทศแม้มีการกาหนดอยู่เบาๆ เราก็รู้อย่างนั้นต่อเนื่องไปก็ให้จิตรู้ไปอยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตรู้เป็นหลักและเมื่อลมหายใจมาก็ค่อยๆเกาะ อ, อยู่กับลมหายใจ ตอนที่เฝ้าอยู่นิ่งๆตอนที่ไม่มีลมหายใจจิตเฝ้ารู้อยู่นิ่งๆนั้นถามว่าอยู่กับอะไรอยู่กับความนิ่งตรงนั้นนะความนิ่งตรงนั้นที่จิตรู้อยู่นั่นแหละเป็นอุเบกขาเมียเป็นอารมณ์เป็นสมาธิเมื่อลมหายใจเข้าเคลื่อนจิต ถ้าไปรู้ลมหายใจเข้าะตัวยกเข้าไปรู้นั่นนเป็นวิตกตัวที่รู้คลออยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้านั่นเป็นวิจารณ์จิตยกไปรู้ลมหายใจไหลออกน่ะเป็นวิตกจิตรู้คลออยู่กับลมหายใจที่ไหลออกนั้นเป็นวิจารณ์พลมหายใจออกสุดหยุดฟักจิตรู้อยู่กับอุเบกขา อยู่กับความนิ่งที่เป็นอารมณ์ได้เพราะไม่มีลมหายใจเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกและก็จิตทรงตัวรู้อยู่อย่างนั้นอยเวขาเป็นอารมณ์อาการกองจิตที่น้อมเข้าไปน้อมก็ไปสู่ความนิ่งมันก็จะอิ่มขึ้นมา จิตก็จะอิ่มจิตที่อิ่มคือเขาสบมาจากลมหายใจมันสบเหมือนกับการย่อตัวออกมาจากลมหายใจแล้วมันก็จะเกิดอยู่ตรงนั้นมันก็อิ่มอิ่มเพราะว่าไม่กระโดดไปที่ใดไม่กระโดดไปใดเลยแต่ถ้ากระโดดแสดงว่ามีสัญญาเข้ามาเกี่ยว ก็แค่รู้ว่ามันหลุดออกไปแมป้นว่ามันหลุดออกไปอย่าไปตกใจมันหลุดออกไปก็อุเบิขาอย่างอยู่ก็แค่กลับมาเฝ้าอยู่ที่ตั้งที่นั่งของจิตรู้สภาวะตรงนี้กายกายนั้นจะนิ่งนะกายจะไม่กระสับกระสายอาการที่กายไม่กระสับกระสายกายนิ่งจิตรู้นิ่งอยู่อย่างนี้มีความอิ่มขึ้นมาเล็กๆเนี่ย ตอนนี้มีปิติปเป็นอารมณ์ทำตรงนี้ให้ชชำนานเมื่อลมหายใจมาก็รู้ลมหายใจข้าวรู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปตั้งใจรู้รายละเอียดอะไรทั้งสิน้นเพราะลมหายใจมันจะเบาลง ม, มันจะละเอียดลง การปฏิบัติมาถึงตนนี้เนี่ยแค่เมื่อเมื่อไม่มีลมหายใจเมื่อลมหยุดก็เฝ้ารู้อยู่กับความนิ่งที่ตั้งของจิตรู้เมื่อมีลมหายใจเคลื่อนก็แค่รู้ลมหายใจเคลื่อนนั้นตามความเป็นจริงถ้าจิตมันรู้สึกว่าอิ่มตัวขึ้นมาก็อยู่กับความอิ่มนั้นได้เรียกว่าความนิ่งนั้นมีความอิ่มเป็นอารมณ์ จิตที่รู้รอู่ขัะนั้นมีความอิ่มนั้นเปน็นนารม่มก็คือเข้าไปรู้ความอิ่มนั้นรู้ในลักษณะที่ศึกษาเรียนรู้แล้วก็อยู่แต่ไม่ใช่ไหลหลงนะไม่ใช่ลุ่มหลงนะแค่มีความอิ่มเกิดขึ้นในความนิ่งนั้นเหมือนเราอยู่ในน้ำก็พักหนึ่งไอ้น้ำมันเย็น หรือน้ํามันอุ่นความเย็นนั้นอย่างหนึง่งความอุ่นนั้นอย่างหนึง่งน้ํามันอย่างหนึง่งตัวเรานั้นอย่างหนึง่งเมื่อมีความเมื่อเราอยู่ในน้ํามีความเย็นปรากฏเราก็จะศึกษาความเย็นเราก็ศึกษาความเย็นไม่ได้มารวมกันก็เหมือนกันรู้ของเรา มาอยู่กับความนิ่งได้มีความอิ่มขึ้นมาเราก็ศึกษาความอิ่มรู้ความอิ่มนั้นไปเรื่อยๆสบายๆายพอลมหายใจมาเราก็รู้ในขณะที่รู้ลมหายใจเข้าไปถ้ามันมีความอิ่มของจิตมันเกิดขึ้นมันก็จะมีความอิ่มในขณะที่รู้นั้นด้วยก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปเรื่อย แต่จังหวะที่จิตมันจะหล่นลุกลงในความนิ่งอย่าปล่อยให้มันหล่นลงไปนะนานไม่มันชอบนะพอนิ่งแล้วมันก็อยากจะนิ่งไปเรื่อย ๆ, ๆอยาจะนิ่งไปลึกๆนิ่งไปลึกๆนั่นนะจิตมันเป็นแบบนั้นมันชอบห่างออกจากธรรมะ ชอบห่างออกจากสัจจะมันจะชอบเดินห่างออกจากมรรคจากผลปล่อยให้มันนิ่งลึกลงไปไม่ได้พอนิ่งลึกลงไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็จะง่วงแล้วก็หลับถ้าไม่ง่วงไม่หลับมันก็จะเห็นสภาวะต่างต่างแล้วก็จะปรุงแต่งเป็นนิมิตขึ้นมาเรื่องราวเยอะแยะเสียเวลา ตอนนี้เราก็จะแยกชัดเจนจะเห็นได้ถึงสภาพรู้ตัวรู้ตัวรู้ที่เขามีกำลังตอนนี้ตัวรู้ที่มีกำลังมันก็มารู้อยู่ที่ที่ตั้งของจิตรู้ก็แตะอยู่เบาๆมีอุเบกขามีความอิ่มอะไรที่ปรากฏเป็นสภาวะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นไอรู้ที่มีกำลังนี้ก็จะไปแตะสิ่งเหล่านั้นเบาๆพอลมหายใจเคลื่อนออกเคลื่อนเข้า รู้ที่มีกำลังอยู่ก็จะไปแตะลมหายใจเคลื่อนข้าวเคลื่อนดอกนั้นเบาๆให้สังเกตว่ามันมีการแตะสิ่งซึ่งปรากฏนั้นเบาเบที่เขาแตะอย่างเบาๆบ็ไม่ได้รู้เต็มกำลังอะไรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้รู้จึงข้าไปแตะเบาเบแม้แต่ความอิ่มที่ปรากฏ ความสบายคือความสุขที่ปรากฏรู้ก็ไปแตะความสุขความสบายนั้นเบาๆกำลังของรู้มีเยอะก็จริงแต่รู้ไปแตะแบบเบาๆพอลมหายใจมารู้ก็ไปแตะเบาๆลมหายใจเข้ามารู้ก็ไปแตะเบาๆจะเกิดความสบายรู้ไปแตะความสบายแรงๆรู้กับความสบายนั้นแรงๆมากๆจิตก็จะไหลลงสู่ความสบายนั้น ไปเลย ล, ยลงสู่ความสบายมนะั่งเป็นลงร่องของมัน เกิดความสงสัยก็ปล่อยไปก็ อ, อาจจะเห็นเป็นนิมิตลมหายใจได้ตอนนี้นิมิตลมหายใจก็อาจจะเห็นเป็นลมหายใจเป็น หลายหแบบแต่ละคนขึ้นอยู่กับสัญญาของแต่ละคนนะเพราะลมหายใจมันมาเนี่ยขึ้นอยู่ว่าพอเรามีสัญญาแบบไหนเราอาจจะเห็นลมหายใจเป็นนิมิตแบบนั้นก็แค่รู้ไปนะแค่รู้ไปว่ามันเป็นเพียงแค่นิมิตอาจจะเห็นลมหายใจออกเป็นรูปเป็นร่างเป็นปุยเป็นสีเป็นสีเป็นสังอะไรแล้วแต่มันก็เป็นแค่เป็นนิมิต ซึ่งนิมิตลมหายใจนั้นจะเกิดขึ้นตามสัญญาของคนคนนั้นมันไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรเราก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้ เรเห็นจิตที่พยายามออกจากผลีกออกจากลมหายใจนะเขาหลีกออกจากลมหายใจแล้วไปอยู่ที่ที่ตั้งของจิตรู้ตรง น, นี้เวลาเขาหลีกออกมาจะอุเบกขาจะปรากฏ แล้วเราก็จะเห็นตัวกำหนดทีนี้ตัวกำหนดที่จะมุ่งเข้าไปเพื่อหาลมหาย ใ, ใจที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าเห็นก็คือรู้เขารู้การกำหนดที่กำลังจะเคลื่อนเข้าไปหาลมที่กำลังเกิดขึ้น ก, การกำหนดหรอนั้นมันเป็นเจตนาเป็นเจตนาก็าแค่รู้ก็จิตละเอียดพอที่จะรู้ที่ตั้งของจิตรู้แยกออกมาจากลมหายใจได้นะมันก็จะเห็นเจตนาเจตนาที่ว่านี่แต่เป็นจิตตะสังข์เป็น <c oughs> จิตตะสังขาร ล้วก็ไม่ต้องทาอะไรล็อกแค่รู้ก็ไป ธรรมชาติของจิตตอนนี้นะมันมันมีสติสัพพัญญะอยู่ด้วยกำลังของความตึกคือมันตึกมันตึกข้าหาลมแต่มันตรองมันความว่ามันก็อยู่กับสบภาวะที่เกิดมันตึกตรองเป็นกําลังเป็นรู้ที่มีขณะที่มีคุณสมบัติเป็นความตึกความตรอง มันมีลมหายใจย้ำไม่มีลมหายใจมันก็อยู่กับอุเบกขาอยู่กับสภาวะเห็นสภาวะเห็นความอิ่มเห็นความสบายเห็นความสุขที่ปรากฏมันก็อยู่อย่างนั้นได้เรียกว่าตึกกับตรองอยู่อย่างนั้นมีความอิ่มมีความสบายปรากฏมีอุเบกขาคือความนิ่งความเฉยปรากฏเป็นอารมณ์ของจิตตัวตอนนั้นจิตรู้เห็นอยู่กําลังที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ก็จะมีความคิดเกิดขึ้นก็จะเดินต่อไปว่าเดี๋ยมันจะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันจะออกไปยังไงออกไปที่ไหนออกไปทําอะไรหรือมันควรจะได้อย่างนั้นมันควรจะได้อย่างนี้แต่ไอ้ตอนนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาเรียกว่าวิจิกิจจามันเป็นนิวรณที่ละเอียดมันเกิดตามกําลังของสมาธิ มันเป็นวิจิติชานิวรแต่ว่าเกิดตามกำลังของสมาธิเกิดตามกำลังของสมาธิเกิดตามกำลังความละเอียดของรู้และลมหายใจเราก็แค่สงสัยก็รู้ว่าความสงสัยนี้เกิดขึ้นแค่รู้ นี่ตอนนี้เราเรียกว่าความนิ่งไดท้ที่ความนิ่งไดท้ที่ความดีได้ทางตอนนี้เราอยู่กับอุเบกขากายไม่กระสับกระส่ายกายนิ่งตอนนี้มันเหมาะมากมันเหมาะกับอะไรท่านกล่าวว่าโซชานาวุตธหธิตวา อัจจาสักพักสักวาฌานนังคะ น, น, นันิไายความว่าเพราะ น, นันออกจากออกจากฌานออกจากสมาธิที่เพ่งอยู่แต่ยังอยู่ในสมาธิอยู่ออกจากสมาธิที่เพ่งอยู่แต่ยังยังอยู่ในสมาธิออกจากสมาธิที่เพ่งอยู่ ถือเอาลมหายใจกำหนดลมหายใจอยู่แต่ออกจากสมาธิที่เพ่งอยู่แต่กำหนดลมหายใจอยู่และองค์ของสมาธิมานเรียว่ามีความรู้เห็นสลับไปสลับมาต่อความตึกความตรองต่อปิติต่อความสุขต่อความนิ่งก็เห็นความตึกความตรองเห็น เห็นปิติเห็นความสบายเห็นความนิ่งแปลว่าอยู่กับลมหายใจอยู่แต่ออกจากความเป็นสมาธิลึกท่านกล่าวว่าโซชาณาอุทธหิตวะอัศาสาัพสัเสบริกรนาติชาณังคันนาณิผู้นั้นออกจากฌานออกจากฌาน แล้วกำหนดลมหายใจพร้อมทั้งองค์ของฌานาบอกว่ากำหนดอลมหายใจด้วยองค์ของสมาธิด้วยเพื่ออะไรเพื่อทําการพิจารณาถึงตอนนี้เราสามารถที่จะออกจากสมาธิแต่ยังอยู่ในสมาธินะแล้วก็ทําการพิจารณาอยู่กับลมหายใจอยู่ด้วยแล้วก็พิจารณากาย โดยพิจารณาออกมาจากลมหายใจว่าลมหายใจเป็นอย่างไร mm. พอพิจารณาว่าลมหายใจเป็นอย่างไรเนี่ยลมหายใจของเราก็จะหยากขึ้น mm. เราก็จะรู้สึกว่าเอาทําไมสมาธิเราอ่อนแอจังแต่จริงๆริงะอารมณ์นี้ ก็เรียกว่าคณิกาสมาธิคณิกะสมาธิในอารมณ์ของสมาธิคณิกะสมาธิไม่ใช่คณิกะสมาธิในอารมณ์ของภายนอกแต่เป็นคณิกะสมาธิในอารมณ์มันเป็นภายในเป็นคณิกะสมาธิที่จะใช้ในการทําการพิจารณาขันห้า ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเป็นคณิกะสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ลึกแต่มีองค์ของสมาธิอยู่ที่จะใช้ในการพิจารณาขันห้าในส่วนที่เป็นรูปรูปขันว่าเป็นอย่างไร วพาในวันนี้ก็พิจารณาเข้าหาความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อย่าจาสภาวะสภาวะของทุกคนที่ได้ในวันนี้อย่าไปจำอย่าไปสนใจเราทำเหตุให้มันถูกเริ่มต้นให้มันถูกทำเหตุให้มันได้ นันอย่างที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ทำเหตุอย่างไรได้ผลอย่างนั้นไม่ใช่ได้สภาวะได้ผลแล้วไปจำไปหลงในสภาวะนั้นต่อไปเวลานั่งสมาธิปั๊บก็อยากจะได้อย่างนี้ก็มีแต่ตันหารวนรุนเพราะฉะนั้นการไล่เรียงเหตุให้มันถูกต้องมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำต่อไปนี้ก็ ขยับปลายเนิ้วมือฝ่าให้จิตรู้สึกเคลื่อนมือฝ่าไปวางไว้ท um ี่ขกข้างฝ่าให้จิตรู้สึกขยับปลายเนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่ขกข้างซ้ายให้จิตรู้สึกยกจิตเข้ามารู้อยู่เฉพาะหน้า ตาหกหน้าขึ้มานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธินี่คือว่ากระไดสองชั่วโมงกว่าจึงวันนี้ก็อนุมโมทนากับหลายๆคนนะแต่ว่าการฝึกผนอบรมสติมันไม่ใช่พออยู่เท่านี้อันนี้แค่เรามาเจอกันเฉย แต่ในความเป็นจริงเราอยู่ที่บ้านเลยก็ต้องใช้การเดินอยู่ในอิริยาบถต่างๆมันประมาทไม่ได้เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะตายตอนไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรามีโรคไวรัสที่ระบาดอยู่โควิดเนี่ยโควิดนี่มันดีมากนะถ้าเรามาพิจารณามันดีตรงไหนมันดีตรงที่ทําให้เราไม่อยากไปประมาท เราจะต้องรู้จากตัวเราเองว่าชีวิตของเราเป็นของแตกสลายเป็นปกติโควิดนั่นมันเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตนี้แตกสลายได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่ประมาทแต่ไม่ประมาทไม่นะหมายความว่าเราจะไปกลัวโควิดนะไม่ประมาทหมายความว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่ให้พลาดจากการเจริญสติไม่ประมาทคือต้องอยู่อย่างไม่ขาดสติ เราจะพออย่างยิ่งต้องจเจริญสติอยู่เป็นนิดอยู่กับลมหายใจให้ได้ต่อเนื่องนานๆอยู่กับอิริยาบทต่างๆจะทําจะพูดจะคิดอะไรต่างๆก็ต้องไม่อยู่ปราศจากสติญาอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็ไปต่อยอดมันต้องฝึกกันอยู่เรียกว่าในชีวิตทั้งชีวิตเป็นสนามจริงที่จะต้องฝึกฝนอบรมในเรื่องของการจเจริญสติอยู่เป็นนิด ไม่ใช่ว่าต้องมาเจอกับอาตมาได้ค่อยมาฝึกกันวันนี้เขาเห็นหน้าก็คุ้นหน้ากันหมดนะแต่บางคนจำชื่อไม่ได้ก็อนุมโบทนากับทุกๆคนนะวันนี้ก็ได้แผ่เบตาพร้อมกันนะสัพเพสตาันดาโนตุ อะเวราสุกชีวิโนขอพวงจัตทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกตังปุญญยังพลังไม่หังสับเบพาคีภวันตุเตขอสัตตังสินนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวยพ้นบุญอันข้าพระเจ้าบำเพ็ญแล้วนั่นเถิดสาธุขออนุโบทนากับทุกคนนะ